ก็คงไม่มีใครยอมฆ่าตัวตายเพราะใครๆก็รักตัวและกลัวความทุกข์ที่อยากตายก็เพราะนึกว่าจะหนีทุกข์ได้พ้นนั่นเองแต่ถ้าทราบชัดๆว่าปลิดชีวิตตนเองทิ้งแล้วยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมใครมันจะไปอยากทำเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดเราจะพูดว่าพวกที่คิดฆ่าตัวตายนั้นจิตเศร้าหมองมืดมนจนไม่เหลือปัจจัยในฝ่ายนามให้ดารงชีวิตอยู่ต่อแม้จะยังคงเต็มไปด้วยปัจจัยในฝ่ายรูป เช่นอาหารการกินอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดจนสัมผัสหล่อเลี้ยงกายให้คงสภาพอยู่ได้ทั้งหลายแหลอย่างไรก็ต้องตายทนอยู่ไม่ได้ทํานองเดียวกับขาดอาหารน้ำและอากาศนั่นเองดังนั้นเพื่อไม่ต้องพบกับสภาพที่แย่ ก, กว่ามนุษย์คุณต้องไม่ปล่อยให้จิตมืดแบบดิ่งลงเหวเมื่อรู้สึกตัวว่าเริ่มมืดต้องหาทางทาให้สว่างหรือแม้เมื่อรู้ตัวว่า